สิกขาบทวิพังสองร้อยหกคำว่าโภชนะอันประณีตความว่าที่ชื่อว่าเนยใสได้แก่เนยใสที่ทําจากน้ํานมโคเนยใสที่ทําจากน้ํานมแพะเนยใสที่ทําจากน้ํานมกระบือเนยใสที่ทําจากน้ํานมสัตว์ที่มีเนื้อเป็นกัปปิยะที่ชื่อว่าเนยข้นได้แก่เนยข้นที่ทําจากน้ํานมสัตว์เหล่านั้นที่ชื่อว่าน้ํามันได้แก่น้ํามันที่สกัดจากเมล็ดงา น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดพันธุ์ผักกาดน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดมะซางน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดละหุ่งน้ำมันที่ทำจากเปลวสัตว์ที่ชื่อว่าน้ำพึ่งได้แก่น้ำหวานของแมลงพึ่งที่ชื่อว่าน้ำอ้อยได้แก่น้ำหวานที่เกิดจากอ้อยที่ชื่อว่าปลาท่านกล่าวถึงสัตว์ที่เที่ยวไปในน้ำที่ชื่อว่าเนื้อได้แก่เนื้อของสัตว์บกที่มีเนื้อเป็นกัปปิยะ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 คำว่าโภชนะอันประนีตเช่นนี้ได้แก่โภชนะอันประนีตดังกล่าวที่ชื่อว่าไม่เป็นไข้คือผู้ที่เว้นโภชนะอันประนีตก็เป็นอยู่ผาสุขที่ชื่อว่าผู้เป็นไข้คือผู้ที่เว้นโภชนะอันประนีตจะไม่มีความผาสุขพ <ix> ิกษ<ส>ุไม่เป็นไข้ออกปากขอมาเพื่อตนต้องอบัตรทุกกฎทุกๆครั้งที่พยายามพิสูรับไว้ด้วยตั้งใจว่าจะฉันของที่ได้ต้องอบัตรทุกกฎ ภิกษุฉันต้องอบัดปราจิตตีทุกๆคำกลืน